บุกทูหกสิบห้าเชสชนพิงกการปฏิเสธสองเนกินิสแหวนวงนี้แพงไหมคะอร์เจเดสบรองกุสไม่ค่ะ แหวนวงนี้ราคาเพียงหนึ่งร้อยยูโรยนุเอติกชันต0เออรแต่ดิฉันมีแค่ห้าสิบเท่านั้นค่ะ Bet aš t u r ิทิกเพคุณเสร็จแล้วใช่ไหมอร์ตูโยเบเกอร์ตู pasiruošęs? ไม่ยังไม่เสร็จค่ะ n น dar ne. แต่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะเบดเกรดเบคซ t เบด i กรด s i ซูเป i ร์ซูวอร์เชียสคุณอยากได้ซูเพิ่มไหมคะอาร์ดาโนเรตุมซูบูสไม่ดิฉันไม่อยากได้เพิ่มแล้วค่ะเนี่ แต่ขอไอศกรีมอีกถ้วยค่ะแต่ดดเดาป๊อตเชียแล้ดูคุณอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังคะอาริโอสเนจิเยเวเน่ไม่ค่ะเพิ่งเดือนเดียวเนติกเมียหนัวแต่ดิฉันรู้จักคนเยอะแล้วแต่ดเดียวปจิสุดูสูงมุนุ คุณจะขับรถกลับบ้านพรุ่งนี้ใช่ไหมคะอาดิโตโยวะจูวะสนาโมไม่ค่ะจะไปตอนเสาร์อาทิตย์เนติคส์บายเดอร์ลีแต่วันอาทิตย์ดิฉันจะกลับมาแล้วล่ะคะ่ะเบตอเชียวสักมาดินิสุกุริชูลูกสาวของคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะ อัตบุตดุกตีโยสอลกุ๊ซไม่ใช่ค่ะลูกดิฉันเพิ่องอายุสิบเจ็ดปีเนี่ยเยดาติกสกินโนเลยคะแต่เธอมีแฟนแล้วนะเ a ตก่รุณาไปที่ www. b o o k t o de